กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับขึ้นสู่สถานที่แสดงธรรมได้แล้วครับกราบนิมนต์ครับท่านอาจารย์เราถึงในหัวข้อของเรื่องกามาทีนวะการเห็นโทษของกามนะครับซึ่งท่านได้ท่านอาจารย์ได้ให้ความหมายของคําว่ากามไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนี้ก็จะเป็นปัญหาข้อต่อไปคครับท่านพระอาจารย์ก็คือ อะไรเป็นเหตุเกิดของกิเลสกรรมนะครับอะไรเป็นเหตุเกิดของกิเลสกรรมและอะไรเป็นธรรมะเครื่องสลัดออกจากกิเลสกรรมนะครับอะไรเป็นเหตุเกิดแล้วก็ธรรมะอะไรที่เราจะเป็นเครื่องสลัดออกจากกิเลสกรรมได้เพื่อ <sweep st akes> ให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเบาแห่งใจนะครับไม่เป็นภาระหนักทางจิตใจเพราะว่าการหมกมุ่น นในการากคว น, นเป็นเรื่องหนักในทางใจขอกราบนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับูปใดก็ได้ครับกาครับพระพทธเจ้าแสดงทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุการที่เราเข้าไปรู้เหตุเป็นเหตุในการที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ได้น ะ, ะทำทั้งหลายนี้เกิดแต่เหตุ เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการดับด้วยนั้นแม้กามทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุกรรมหรือว่ากิเลสกรรมก็ต้องมีเหตุนะเหตุของกิเลสกรรมคืออะไรบ้างก็มีเหตุหลายอย่างเลยนะอย่างในกามรมัสสตานิเทศนี่ท่านแสดงว่าดูก่อนการเราเห็นรากฐานของเจ้าแล้วเจ้าย่อมเกิดเพราะความดํมริเราจักไม่ดํมริถึงเจ้า เจ้าจักไม่มีอย่างนี้ถ้าโดยในนี้ก็แสดงว่ากิเลสการมนั้นเกิดจากความดําเิความดําเิคืออะไรความดําเิก็คือความคิดวิตกอ่ซึ่งวิตกก็เราคิดทุกวันใช่ไหมวันวันหนึ่งเราก็คิดมากด้วยแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องคิดนะอย่างตามสูตร หรือตามหลักที่พระเจ้าแสดงไว้ก็วันวันหนึ่งเราก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสตลอดเวลานะคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นก็เมื่ออาศัยจักรูปเกิดจกักขรวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะผัสสะเป็นประจแกเวทนามีความรู้สึกอย่างไรเราก็จะจําอย่างนั้นนะนะความจําของเราเนี่ยจะจําโดยเฉพาะอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆทั้งหลายเนี่ยเราก็จะจําในอารมณ์นั้นเพราะเราชอบ ทุกขเวทนาเราไม่ชอบทุกขเวทนานะถ้าจำอย่างไรเวลาที่เราจะคิดเราก็จะคิดตามความจานั้นนะวันวันหนึ่งเราคิดถึงธรรมะได้เยอะไหมคิดถึงคำสอนพระเจ้าได้มากหรือเปล่าถ้าไม่ได้มากก็แสดงว่าเราจาคำสอนไม่ได้มากนะแต่ถ้าเกิดเราจาคาสอนได้มากเราก็จะคิดถึงคำสอนได้มากด้วย ถ้ากุศลสัญญาของเราเกิดบ่อยกุศลยี่เป็นไปในเนคขมมะสัญญาอัพยาปาท้สัญญาแล้วก็อวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นก็จะทำให้เรามีความดําริที่เป็นเนคขมมะวิตกเป็นอภยาปาท้วิตกแล้วก็เป็นอวิหิงสาวิตตกแต่ถ้าเกิดวันวันหนึ่งเราจำแต่สีเสียงยินรถผธภะเราจำแต่กามนะเวลาที่เราคิดเราก็ก็คิดถึงกามด้วยนะ ถ้าเราจําด้วยอพยาบาจําด้วยความพยาบาทเวลาทีเราคิดเราก็คิดด้วยความพยาบาทนะแล้วก็เวลาที่เราจําด้วยวิหิงสาเวลาคิดก็คิดด้วยวิหิงสานะเพราะะั้นความจําเป็นปัจจัยแก่วิตกวิตกนี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่แก่อะไรทราบไหมนะวิตกก็สามารถที่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ด้วยนะตามพระสูตรนี้ท่านแสดงว่าถ้าเราตรึกในกามตัณหาก็จเจริญ ถ้าเราตึกในพยาบาทโทสะก็เจริญใช่ไหมถ้าเราตึกในวิหิงสาโมหะก็จะเจริญด้วยวดังนั้นโดยนัยนี้ก็คือถ้าเราสามารถที่จะควบคุมคือมีสติในการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จะควบคุมตัณหาได้ไหมก็จะควบคุมได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเวทนาเป็นปัจจัยแก่กุศลสัญญาสัญญาก็เป็นปัจจัยแก่กุศลมิตกกุศลมิตกก็จะเป็นปัจจัยแก่แก่อะไร แต่ที่จะเป็นตัณหาก็เป็นศรัท ธ, ธานะเป็นกุศ ล, ลกรรมนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็สามารถที่จะเกิดได้นะถ้าเป็นนัยยะของปฏิจจสุบัติการมคือตัณหาเกิดจากอะไรก็เกิดจากเวทนานะเกิดจากเวทนาวันวันหนึ่งเราแสวงหาความสุขตลอดเวลานะทุกเมื่อไหร่นี้เราก็จะต้องเปลี่ยนทันทีเป็นอารมณ์เพราะเราต้องการความสุข ถ้าเราไม่มีโยมสุมนทรนิกาลว่าเราจะเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าต้องการอารมณ์เพื่ออะไรนะก็จะเป็นอาหารของตัณหาวันการบริโภคปัจจัยศีงพระภิสุนะก็มีกฎเกณฑ์หรือม่มีประเพณีมีศีลกํากับไว้ว่าจะต้องพิจารณาปัจจัยก็คือจีวรจะบริโภคเพื่ออะไรอาหารบิณฑบาจะบริโภคเพื่ออะไรเสนาสนะที่อยู่อาศัย าการเข้าในเสนาะทุกครั้งก็ต้องพิจารณาแล้วก็ยารักษาโรคก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามีประโยชน์อะไรเป็นการเจริญสัทธะส ม, มัญญะเบื้องต้นนะเพื่อจะเกื้อกูลแก่สั ป, ปายะส ม, มัญญะและถ้าเกิดใครมีภูมิรูก้ก็คือมีการศึกษาพราะธรรมคำสอนมาดีก็สามารถที่จะมีโคจรสั ม, มัญญะและอสัมโหะส ม, มัญญะได้ นะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่เรารู้เหตุของตัณหาก็สามารถที่จะดับตัณหาได้ใช่ไหมถ้าเป็นในยะของสติปัฏฐานการมเกิดจากอะไรตัณหากเกิดจากอะไรสิ่งใดเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเมื่อตัณหาจะเกิดต่อมเกิดที่สิ่งนั้นใช่ไหมอะไรล่ะเป็นที่ยินดีที่รักในโลกก็ปิยรูปสัตวรูปปิยรูปสัตวรูปนั่นคืออะไร ถ้าสรุปแล้วก็คือขันห้านั่นเองทวาร6อารมณ์6วิญญาณ6กภาษา6เวทนา6ตัณหา6สัญญา6กเจตนา6วิตกวิจาร์6พวกนี้นะสรุปแล้วก็คือขันห้าเพราะฉะนั้นขันห้านั่นแหละเป็นเหตุของตัณหาเป็นเหตุของการมตัณหาด้วยภวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาด้วยนะเพราะนั้นถ้าพูดถึงกิเลสกรรมก็อาศัยขันหานี่นแหละ เป็นอารมณ์เป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะทําให้ตัณหานั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะดับตัณหาก็ต้องดับที่ไหนก็ที่ปิยรูปสารรูปตอนนี้ปิยรูปสารรูปนี่เราเข้าไปดับโดยตรงได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์ษัตรย์ต้องกําหนดรู้ต้องกำหนดรู้ขณะที่เข้าไปกำหนดรู้ปิยรูปสารรูปหรือว่าขันห้าขณะนั้นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะตัณหากเกิดกับสติสัมปชัญญะได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ นั้นก็เป็นการสกัดกัน้นกิเลสสกัดกั้นตันหาเขาเรียกว่าเป็นวิธีการสัมรอกนะเป็นการสัมรอกตันหาพร้อมทั้งอวิชชาด้วยก็มีหน้าที่สัมรอกอย่างนี้ไปตลอดชาติอะ่ะชาติเดียวจบไหมก็ไม่จบเพราะฉะนั้นอุปนิสัยที่เราสั่งสมไว้อย่างนี้นะถ้าสั่งสมความมั่นคงแล้วก็เจริญให้ต่อเนื่องกันเรื่อยๆมันก็จะต่อไปถึงชาติหน้าได้ใช่ไหม นะถ้าเกิดไปเกิดในสวรรค์ถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานในโลกมนุษย์อย่างมั่นคงไปเกิดในสวรรค์นี่จ ะ, จะเจริญต่อได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดในมนุษย์นี่ก็ไม่ค่อยมั่นคงนะไปสวรรค์จะมั่นคงไหมก็เกิดไม่ได้มีอารมณ์ที่ชวนให้หลงลืมสติมากกว่าอารมณ์เป็นทิพย์นะเราเข้าไปในห้างเซ็นทรัลนี่เราจเจริญวิปัสสนาได้ไหมโยมนะเข้าไปในโรงหนังนี่จเจริญสติปัฏฐานได้ไหม คิดว่าบนเทวโลกนะี่อารมณ์มากกว่าปรานีนมากกว่าในห้างเซ็นทรัลหรือเปล่ามากกว่าเพราะฉะนั้นก็ตั้งอธิษฐานให้ดีนะอย่าง น, น้อยก็ให้นะพบเทวดาอริยะทนะ่านจะได้จูจงเราชวนเราในการยังไม่ให้เลอะเลือนหลงลืมมากถ้าโดยนัยยะของปัปจจัยยสิบี่หรือปัจฐานปัญหาการมตัญหาเนี่ยเกิดจากปัจจัยนับทวนบ่เยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากเลย นะมีปัจจัยมากในการนี้ทำให้เจ้ากิเลสกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะสำหรับวัตถุก ร, รมวัตถุกรรมถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนื่องด้วยอินทรีย์เนี่ยจัดเป็นทุกขสัตว์นะทุกข์สัตว์ก็เกิดจากสมุทัยสัตว์นั่นเองนะเกิดจากกรรมใช่ไหมทุกเนี่ยเกิดจากกรรมเกิดจากอาวิชชาเกิดจากตัณหานะถ้าเป็นรูปขันธ์ก็เกิดจากอาหารด้วยนั้นมีปัจจัยในการนี้ทำให้เกิดวัตถุกรรมก็มากมายหลายอย่างหลายประการ นะก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องเข้าไปอบรมเจริญปัญญาในการเรียนรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตของเรานะเป็นชีวิตซึ่งเรายึดถือว่าเป็นของเราแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมะนะเป็นทุกข์กับเป็นสมุ ท, ทยัยนะสมุทัยก็มีหน้าที่ในการที่เราจะละแต่เจ้าตัวสมุทัยเนี่ยมันเป็นนามนธรรมเกิดดับอย่างเร็วมากนะเท่ากับจิตหมตัณหาี่เกิดดับพร้อมกับจิตใช่อกุศลจิต นะมีการเกิดดับอย่างเร็วมากเราสามารถที่จะไปตามเจ้าตันหานี่ทันหรือเปล่าไม่ทันเลยเพราะนั้นเนี่ยนะพอคิดจะละมันมันก็หายหน้าไปแล้วใช่ไหมพอเพล่เลมันก็มาอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ไปตามตันหาะนะหรือว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้แสดงไว้นะว่าถ้านะอกุสดจิตเกิดขึ้นแล้วก็ให้ตามดูมันไปนะถ้าอย่างนี้นี้ไม่แสดงท่านแสดงว่าอกัสรยังไม่เกิด จะต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นอกุสล์ที่ยังไม่เกิดต้องระวังสังวรอย่าให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นไปเพื่อความเสียหายาเพื่อความชีพหายแต่ถ้าอกุสลเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบละต้องรีบละนะถ้าไม่รีบละก็จะเป็นไปเพื่อความเสียหายเหมือนกันอากัสรคือสมถัยปัสจนาที่ยังไม่เกิดก็ต้องทําให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาไว้อย่าให้เสื่อมไป นะเพราะฉะนั้นเจ้าอากัสลเหล่านี้โดยเฉพาะเจ้าตัวตันหานี่นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยจะเหลียวจะย่างจะก้าวจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไปด้วยความต้องการตลอดขณะที่ไม่มีสติธรรมชัญญะโลภะก็จะเกิดง่ายมากเกิดเป็นประจำด้วยเพราะั้นการอบรมเจริญสติโดยเฉพาะเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยนะให้รู้นะว่าถ้าเป็นการแสดงว่าให้เจริญสติในพระไตรปิฎกเนี่ย นะหมายถึงสติสัมปชัญญะหมายถึงสติปฐานนะจะต้องมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจเกิดร่วมด้วยนะเพราะงั้นการเจริญสติปฐานไม่มีช่วงเวลาเว้นเลยแม้กระทั่งหลับพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติฐานไหมนะพุทธเจ้าก็ตรัส ด, ด้วยใช่ไหมจะยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งนะขนาดหลับนี่พุทธเจ้ายังให้เจริญแต่เจริญจริงๆได้ไหมขณะหลับไม่ได้เพียงแต่ว่าก่อนหลับ นะก่อนหลับก็ควรจะต้องมีสติถ้ามีสติก่อนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็จะมีสติทันทีได้นะดงนั้นทุกอิริยบทเราก็ควรจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะในการ่จกกำกับอย่างน้อยสุดก็คือว่าเราจะทำทำไมนะเราจะทำทำไมนะยกมือพนมนี่ยกมือทำไมนะก็ต้องรู้เหตุรู้ผลนะถ้าไม่รู้เหตุรู้ผลอาจจะเป็นกุศลได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา แต่ถ้าเกิดเรารู้เหตุรู้ผลสิ่งนั้นมีประโยชน์นะโดยเฉพาะเป็นกุศลเป็นศาต ร, รกาสมัมพันะัญะเกื้อกูลกับการย่ออบรมสัมพัชัญะขั้นสูงต่อไปนะถ้าเป็นวัตถุกรารมที่เป็นรูปภายนอกไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่มีชีวิตอันนี้ก็เกิดจากสมุดฐานเดียวใช่ไหมนะเกิดจากสมุดฐานเดียวแต่ว่าแม้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ไม่เนื่องด้วยชีวิตของเราเนี่ยนะแต่ว่ามันมีส่วนสําคัญมากในการย่อทำให้ กิเลสเกิดขึ้นถูกไหมถามว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นอริยสัจหรือเปล่าทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องนะสิ่งส ว, สวยงามภายนอกเนี่ยเป็นอริยสัจไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นตกลงถ้าไม่เป็นอริยสัจก็ไม่มีกิจในการต้องกําหนดรู้ต้องละต้องอบรมเจริญหรือว่าต้องทําให้แจ้งสินะแหวนเพชรนี่ต้องทําปริญญาไหมโยม ต้องทำตกลงเป็นอริยสัจไหมเป็นนะเพราะฉะนั้นท่านแสดงไว้นะว่าอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจไม่ใช่แสดงที่หญ้าที่ไม้แต่ว่าแสดงไว้ในกายยาวานาคืบนี้อันนี้อธิษฐาไว้โดยนัย ะ, ะสูตรนะแต่ว่าที่ใดก็แล้วแต่อารมณ์ใดก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสต้องกําหนดรู้หมดถามว่าบัญญัตินี้ต้องกําหนดรู้ไหมโยม นะบัญญัตินี้เป็นอริยสัตว์ไหนนะเนื่งโดยทุกขสัตว์ถ้าเราแยกแยะบัญญัติกับปรามัตดไม่ออกเราจะเจริวิปัสนาได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนจะแยกแยะนามรูปนะก็แยกแยะให้รู้ก่อนจริงๆว่าอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตดเพราะว่าบางทีสับสนนะเข้าใจว่าบัญญัติเป็นปรามัตดก็มีนะเข้าใจว่าปรามัตดเป็นบัญญัติก็มี สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เนื่องกับชีวิตของเราที่จะต้องเรียนรู้นะนี่ก็เป็นเหตุเกิดของกิเลสกรรมแล้วก็วัตถุ ก, การมโดยยอ่อนะอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมในบนนะครับเกี่ยวกันในเรื่องของเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พูดเรื่อง ตัวกิเลสกรรมกับ hmm. ต <Okay. S 1> ัวว kind of so, so ัตถุการมใช่ไหมตัวกิเลสกรรมอะไรเป็นเหตุเกิดก็มีสองส่วนดูก่อนกามเราเห็นรากฐานของเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าย่อมเกิดเพราะความดำริอันนั้นเป็นพวกกลุ่มกามวิตกเป็นต้นเราจะไม่ดำริถึงเจ้าเจ้าจะไม่มีอย่างนี้กิเลสกามคือโลภะอันนี้เป็นกามวิตกอันนี้คือกลุ่มกิเลสกรรม ส่วนตัววัตถุกรมนั้นเป็นชื่อของตาหูจมูกเลนกายใจเป็นชื่อของรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างมีต้นด้วยสรุปก็คือในสองส่วนนี้ก็มีเหตุเกิดของเขาอยู่ฉะนั้นในเหตุเกิดต่างเหล่านี้ถ้ากลุ่มกิเลสกรรมทั้งหลายนี่ก็เยอะเลยทางด้านของสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ก็ตัววัตถุนั่นแหละก็เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนที่จะทาให้กิเลสนั้นเข้าไปยึดติด อย่างรุนแรงสําหรับบุคคลที่ไม่กําหนดรู้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้ามองดูในชั้นของที่เห็นว่าการอุบัติเกิดขึ้นของรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณใช่ไหมถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นที่ในชั้นของคําสอนที่พระเจ้าสอนพระให้ไปไข่ควรที่บอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข เวทนาก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้นก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายใช่ไหมเธอทั้งหลา ย, งลา ย, งลายจงละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณนั้นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขไอ้คําว่าละในที่นั้นท่านก็หมายความว่าละฉันทลาคะละฉันทราคะฉันท์บวกราคะเนี่ยจริงตั้งแต่ในต้นหมหาสุวรแปลด้วยเสมอ คือความยินดีนะความยินดีความเพลิดเพลินทั้งหลายที่กลุ่มความไปยึดติดความไข่ความพอใจทั้งหลายเหล่าเนี้ยถามว่าทําไมเราจึงมีตาหูจมูกเล่นกายใจทําไมเราจึงมีรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันทาไมเราจึงมีบุตรมีภรรยาเป็นต้นเหล่าเนี้ใช่ไหมสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายพระเจ้าสอนให้ละก็แปลว่าเอตาหูจมูกเล่นกายใจเนะี่ยไม่ใช่ของเราใช่ไหม ในที่นี้พูดถึงในเรื่องของว่าอะไรเป็นเหตุเกิดกล้ตัวกลุ่มฉันตราคะเป็นต้นเหล่านี้เป็นเหตุเกิดของรูปขันเป็นเหตุเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเชื่อมโยงไปสู่วัตตน์หาก็เป็นเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมหรืออวิชาคือความมืดบอดของจิตความไม่รู้เนี่ยในสังสารวัฏและกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่นําไปสู่วัฏฏะทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุเกิดของรูป เป็นเหตุเกิดของเวทนาะเป็นเหตุเกิดของสัญญาเป็นเหตุเกิดของสังขารแล้วก็เป็นเหตุเกิดของวิญญาณฉะนั้นทั้งอวิชชาทั้งตัณหาทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่นำไปสู่วัตฏะทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีอุปาทานแล้วแยกอีกเยอะในรายละเอียดเยอะอันนี้กล่าวในยะของปฏิจจะโดยย่อทั้งหลายเลยแต่ในรายละเอียดตรงนี้ที่ตรงเชี่ยเห็นก็คือว่าเหตุเกิด ทีนี้ถ้าเราถามบ อ, อกว่ารูปประขันเนี่ยไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงยังไม่เวลา ก, กรณีการที่เราไปไข้ควรกันถ้าไม่รู้ลักษณะของรูปไม่รู้ลักษณะของเหตุเกิดของรูปเป็นต้นถ้ารู้รูปประขันว่ามันเป็นโทษและไอปัจจัยที่ทําให้เกิดรูปประขันมันก็เป็นโทษด้วยใช่ไหมมันก็เป็นโทษด้วยเพราะมันนํามาซึ่งความเดือดร้อน อย่างทุกวันเนี่ยเราจะต้องมามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอะไรก็ ว, ว่าไปดีสเลดหนองเลือดเงือมันข้นในกลุ่มของรูปธรรม ท, ทั้งหลา ย, ยที่เป็นไปตามธาตุดิน12ทาตธาตุดิน20่ธาตุน้ำ 12, า12ธาตุไฟ4ทธาตุลม6รวมเป็นอาการ42ที่นับโดยโดยในยะของการไล่ไปตามผมขนเล็บฟัน สรุปก็คือว่ามหาพูทะลูปและอุปาทะยีลูบเนี่ยส่วนนี้นคือรูปประขันอันนี้เป็นตัววัตถุนั่นเลยตัววัตถุกางมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเหตุปัจจัยไอเหตุเกิดของเขายังมีอยู่ตราบใดกระแสของรูปประขันก็ยังมีอยู่ตราบนั้นใช่ไหมทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันที่เรามองในลักษณะอย่างนี้ถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดตรงนี้ก็คือเหมอือนกับต้นเหตุ ต้นตอของการเกิดขึ้นของการที่เราได้ตาหูจมูกเล่นกายใจถามว่าทำไมพระบรมศาสดาจึงสอนไล่มาตามลำดับตามอนุบุพีกถาใช่ไเริ่มต้นจริงๆเราก็ศึกษากันเรื่องทานแล้วต่อมาก็พัฒนาสุดศีลจากทานและศีลก็มีผลเป็นสักขะคือสวรรค์คือสุขติภพเพราะได้สุขติภพก็คือการมีตาหูจมูกเล่นกายใจที่บริบูรณ์ ดยการที่พระองค์ก็ะชี้เห็นว่าจริงๆแล้วการมีตาหูจมูกเล่นกายใจมันมีคุณนะไม่ใช่ไม่มีคุณมีอยู่เช่นก็ให้สุขเวทนาให้ได้เห็นไงให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ได้รสให้ได้สนุกสนานเพลิดเพลิ น, น, นตามอัตภาพที่เราพึงจะได้นะแต่โทษมันเยอะกว่าคุณไอ้คุณมันมีอยู่นิดเดียวแต่โทษน่มันน้อยก็ที่ได้กล่าวว่าจริงๆไม่ใช่ไม่ให้ว่าการกินอาหารไม่ใช่ไม่ได้ความอร ե ศอร่อยนะได้ ได้ความมีดำรงชีวิตอยู่ได้ชั่วขณะห น, หนึ่งเป็นไปอยู่แต่ละมือ้อแต่ละวันก็ว่ากันไปนแต่มันมีโทษอย่างมากมายนะกว่าโทษในการแสวงหาโทษในการรักษาอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ก็มาชี้เหตุเกิดว่าเอออะไรเป็นเหตุเกิดก็ตรงนี้ไงกรรมที่เราทำกันเนี่ยให้สังเกตดูนะจิตที่เราคิดอยากจะออกจากกรรมเนี่ยมีนิดเดียวนะเช่นตอนไปทาวัดสวดมนต์บ้าง สังเกตมันนี่ในชีวิตจริงของพวกเราเลยพอไปสวดมนรรมต์ทาวัดก็เนี่ยว่ากันเลยบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วนะบัดนี้พ่อบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศล น, นั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งโลกุตละธรรมก้าวในทันทีเราก็ท่องกันไปใช่ไหมแต่ถามว่าในกรณีในชีวิตจริงแหละมันเราสร้างเหตุเกิดของของของกามของทุกข์ตลอดเพราะตาเห็นหูได้ยินทั้งหลายเลย มันก็มีความยินดีมีความเพลิดเพลินทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะมก็เกิดใช่ไหมไอ้ตัวนี้เหตุเนี่ยเขตตรงนี้ก็เป็นเหตเกิดที่จะทําให้เราได้ตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นต้นอันนี้แปลว่าจริงๆแล้วการที่เราเข้าไปเห็นโทษของกามจริงๆเนี่ยมันเห็นน้อยเรายังไม่เคยทุกข์ใจสั่นสะเทือนสะท้านถึงขนาดว่าเห็นสีแต่ละครั้งเนี่ยเราเดือดร้อนเองเน่ยเราเดือดร้อนมากๆนะี การได้ยินเสียงแต่ละครั้งที่มากระทบทั้งโตาาสตประสาทแล้วก็เชื่อมลงสู่โสตทวารลวิถีลงสู่มโนทวารลวิถีและเกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความมัวเมาหรือลุ่มหลงเกิดขึ้นเราไม่เห็นโทษตรงนั้นเลยว่าจริงๆตรงนั้นเราได้ประกอบเหตุของการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นไปในวัตฏะเรียบร้อยหรือ ท, ทั้งทั้ที่เกิดกุศลนี่แหละแต่กุศลนั้นก็ ย, ยังยินดีในพบอยู่อีกมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อการที่จะได้มาซึ่งการได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทั้งนี้ให้สังเกตดูไหมว่าจิตที่เราคิดอยากจะออกจากกามมันหนึ่งขณะสองขณะจิตหรือว่าไม่กี่ขณะจิตเนี่ยเจ้าหน้าที่แล่นไปเนี่ยนะอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนอะไรก็แล้วแต่แต่จิตที่เราเย็นดีในภพเนี่ยมันมากมายนะจิตที่เราเยินดีในกามนั้นมากมายนะฉะนั้นตรงนี้ที่คําถามบอกว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของกามอันนี้สําคัญหนึ่งเหตุหน้่ดีเป็นปัจจัยให้เรามีตัววัตถุกามนในปัจจุบันหรือมีตาหูจมูกในในปัจจุบันเนี่ยเพราะอธิเตหตุ อดีตเหตุทีนี้ในอนดีตเหตุที่เราทํามาก็มากมายนะเช่นตัวกรรมก็ดีตัวตัณหาตัววิชาที่มันดับไปแล้วแต่มันยังไม่ได้ให้ผลเน่ยเยอะที่มันยังไม่ได้ให้กำลังใช่ไหมมันยังไม่ได้มีกําลังต่อการให้ยังไม่ได้โอกาสมากมายนะถ้าพูดถึงว่าหลายๆท่านที่สร้างกุศลมาวิมานคอยไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ถ้าพูดกันตามหลักการของคําสอนเนี่ยหรือว่าสร้างอากุศลกรรมกันนรกกันรออยู่ไม่รู้กี่ขุมอันนั้นก็คือเขต เหตุเนะี่ยมันสำเร็จเบ็ดเสร็จแล้วแต่รอจังหวะว่าเขาได้จังหวะเมื่อไหร่ก็เราก็เขาก็ให้โอกาสาก็ได้โอกาสเมื่อไหร่เขาก็ให้ผลเมื่อนั้นอันนั้นแปลว่าเหตุของวัตทุกเนะั้นเราได้ทํามาอย่างนี้อย่างนั้นคือเหตุของกาลทีนี้มันไม่พอเพียงแค่นั้นไงทั้งๆแค่เหตุในอดีตมันก็ชดใช้กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วแต่ด้วยความมืดบอดของสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังมาสร้างเหตุที่จะเกิดในจะสร้างเหตุเกิดของตาหูจมูกเล่นกายใจทุกวัน แต่ราวัลเนี่ยเราไม่เคยเห็นโทษเลยนะีตาเห็นสีแล้วมัมีโทษอย่างไรหูได้ยินเสียงแล้ว ม, มันเห็นโทษอย่างไรจมูกได้กลิ่นแล้วมันเห็นเห็นโทษของสังสารวัฏอย่างไรไปต้นเห็นโทษของกามสรุปก็คือว่าราคะโทสะโมหะเกิดก็สร้างเหตุของกามในอบายภูมิถ้ากุศลเกิดที่ไม่เป็นไปต่อการน้อมออกจากวตะมันก็ท้องสร้างโทษในสังสารวัฏใช่ไหมก็คือทั้งทุคติทั้งสุขตินั้นแปลว่า เราสร้างทั้งอดีต ท, ทำมาเรียบร้อยแต่ปัจจุบันเราก็ทํากันอย่างตอเ น, นื่นี่คือเหตุเกิดของการสรุปตรงนี้ก็คือว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอเนนชาวิสังขารก็คือตัวกรรมส่วนที่บวกกับตันหามีตันหาเป็นอุปนิสัยบ้างเป็นทั้งศาสชาตะบ้างหรือทั้งอวิชาเป็นต้นเหล่านี้ทั้งเป็นศาชาตะทั้งเป็นอุปนิสัยเป็นต้นบ้างไอ้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้สิ่ง เหตปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่มันนํามาซึ่งการทําให้เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเหตุเกิดของการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยทีนี้พอเราได้มาแล้วก็เป็นภาระ่ะไหมอย่า ง, ห น, งหนังสือที่ท่านอนุ ญ, ญาตสันติรวบรวมมาหนังสือพุทธมูลไปดูมีอยู่คําว่าภาระดูก่อนพิสูจนทั้งหลายาภาระอะไรคือภาระก็คือรูปขระคันเวทนาสัญญาสังข า, ารวิญญาณใช่มอันนี้คือภาระ แล้วใครคือผู้แบกภาระอย่างเงี้ยก็เดินไปไล่ดูในสูตรก็จะเห็นชัดว่าตอนนี้มันเป็นภาระมากนะเราต้องมีภาระในการต้องมาพยุงในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการขับถ่ายในการกินในการเห็นไหมกระพริบตาอ้าปากเยอะแยะเบียร็จดเลยนี่มันเป็นภาระแล้วที่เราจะต้องมาบริหารมันยกขันธภาระมาตั้งแต่ขณะปฏิสนที่แล้วต่อมาเนี่ยพอวางขันธภาระนี้ไปมันไม่ได้วางจริงอ่ย ก็ยกขันภาระขึ้นมาใหม่อีกในขณะเกิดแล้วก็ต้องมาบริหารต้องมาดูแลต้องมาทําการค้าต้องมาทําอะไรสารพารัดเบ็ยดเสียทีไหมคนเราทําราชการบางทําการค้าต้องบริหารลูกบริหารคนอะไรเยอะแยะเบ็ยดเส็จท่านพารละเฉพาะตัวเองก็เป็นภาระหนักขนาดนี้แค่ตาหัวจมูกลิ้นกายใจตัวเองก็นับว่าภาระอย่างใหญ่โตอยู่เพราะอะไรเหตุเกิดไงที่ท่านอาจารย์สุรพงษ์ถามมานี่เหตุเกิดของกลางแล้วไม่สร้างแล้วจะทำไงทีนี้แต่นี้ก็ เอาแล้วที่ได้พลรมาก็ทําที่ในขณะที่ทําเราก็ไม่ฉลาดในการที่จะคิดตามคําสอนเขาอีกแล้วก็ไปสร้างเหตุเกิดใหม่อีกโอ้โหตรงนี้มันยุ่งใหญ่แล้วนะชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับหญ้ามุงกระตายก็เหมือนกับเหมือนกับได้ที่มันพันยุ่งเหยิงไป็เสร็จแล้วมันหาเงื่อนต่อเงื่อนต้นกันไม่เจอแล้วใช่ไหมมีอย่างเดียวละพุทธิยกสอนตัดฉันตราคาคือละเสีย เราจะไปสืบสาวต้นตอก็ไม่ได้ที่สุดก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทั้งทั้งที่ทํามากันเนี่ยเยอะแยะไปเสร็จแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ถือว่าเนี่ยให้รู้เหตุได้ว่าเหตุในอดีตเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดปัจจุบันนี่ปัจจุบันปัจจุบันผลได้รับแล้วและเราก็ยังไม่ยอมหยุดสร้างเหตุต้องกามกันอีกเหตุที่จะทําให้การได้มาซึ่งตาหูจมูกเลี้ยกายใจทั้งในอบายวพบมันก็น่าเบียดน่ากลัวอยู่แล้วสุขติพบก็น่ากลัว เพราะว่าการของพุทธศาสนาจะมาเพียงแค่5000ันปีใช่หท้งหมด5000ปีไปก็มืดมิดอีกแล้วเราฝังธรรมะสัญญาไว้ในใจก็ไม่ชัดถ้าปเป็นอบายศาสตร์ก็มีสัญญาสามใช่มกร ม, มาสัญญาก็เสพกรมโคจระสัญญาก็หากินใช่หมมรณะสัญญาก็กลัวตายและธรรมะสัญญานานๆจะได้อีกคราสักทีขนาดเป็นมนุษย์เนี่ยธรรมะสัญญา ยังเกิดยากยากมากๆากนะอันนี้คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมเราเนะี่ยใช่ไหมถ้าเดินเดินเดินกันไปชนกันโตมขึ้นมามีไหมขอบคุณครับที่ชนไม่มีใช่ไหมก็มีเด้เฮยไอ้เรื่องอะไรจะเอาเรื่องเอาลาวกันอย่างนี้นก็มีเห็นไหมว่าสภาพจิตของเราในทุกวันนี้เพราะว่าเรามองดูว่านี่มันเหตุที่เรากําลังสร้างกันเอี่ยทั้งเหตุในกามาพบทั้งเหตุในสุขติพบก็ดีในในในทุกติพบในในสุขติพ บ, พบมันก็สร้างทุกวัน ถึงบอกว่าจิตที่เราอธิษฐานจะไปนิพพานเนี่ยเพียงเพียงน้อยนิดนะแต่จิตที่เราจะสร้างเหตุในการที่อยู่อยู่ในภพเนี่ยมันมากไอเหตุที่เราสร้างเนี่ยที่จะทําให้มาเนี่ ย, ยนั้นการสร้างเหตุของการทั้งหลายแล้วจะทํำยังไงถ้าเรามาคิดอย่างเนี้ยมันมากมายขนาด น, นี้สรุปแล้วไม่ต้องพูดถึงชดใ ช, ช้แล้วเขาเรียกว่าล้มละลายแล้วเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นเป็นสถานภาพแห่งการที่ต้องล้มละลายแล้วแต่ว่าเออเราจะสร้างเหตุใหม่ยังไง พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเออให้รู้เหตุนะีรู้เหตุเนีย่ยต่อไปคงจะถามประเด็นว่าเออเครื่องสลัดออกอยังไงก็รู้เหตุก่อนแต่เนี้ยเนี่ยเหตุเหตุในอดีต ท, ทาให้เราได้ปัจจุบันและเหตุในอดีตก็ยังไม่หมดนะให้เข้าใจเหตุที่ได้สร้างอ่ะเหตุของกรมทั้งหลายที่ทําไว้ก็ยังไม่หมดและเหตุในปัจจุบันเราก็กลาลังทําอย่างไม่หยุดไม่ย่อนเสมอเหมือนหนึ่งว่าเราไม่กลัวไม่กลัวต่อการมีตาหูวใจหมุกเล่นกายใจด้วย และถ้าไม่กลัวต่อการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในสุขติภพก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันก็ยังไปในสุขติภพในภพที่ดีอยู่แต่ไม่กลัวต่อการที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของของในอเวจีนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจในสัตว์เรขาฉานตาหูจมูกลิ้นกายใจของเปรตตาหูจมูกลิ้นกายใจของสุรกายไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ก็เกินเหตุแล้วเพราะเหตุการสร้างเหตุที่ผิดพลาดมันก็เยอะอย่างทุกวันนี้เรามาเรียนเรื่องอนุภูพีกถาหรือมาฟังธรรมกัน พระพุทธเจ้าก็เบื้องต้นจริงๆก็คือให้กลัวต่ออบายภูมิก่อนอบายภัยก่อนย่ามามาตามลําดับแล้วก็เริ่มขัดเกลาจิตมาตั้งแต่ทานศีลแล้วก็สวรรค์แล้วก็เรื่องสุขติภพตอนนี้ก็เริ่มชี้เห็นได้เลยเนะี้ยอันนี้บ่งบอกว่าตอนเนี้จิตของพวกเราอ่อนแล้วไงทําไมพระพุทธเจ้าต้องการจะจะให้เห็นความจริงของตรงนี้ก็ต้องการจะฟอกจิตเหมือนกันในสูตรสูตรหนึ่งที่ใช้คําว่ากระสอบหนังแมว ฟอกให้ฟอกให้บางฟอกให้ละเอียดฟอกให้จนว่ามันไม่มีเสียงเอามาตีงไงไม่มีเสียงอันนี้เหมือนกันนุ่นเนี่ยใหม่ๆนื้อด้วยสําสรีเนี่ยนะที่มันอยู่ในในในไล่ในดงเนี่ยมันยังไม่ถูกปั่นให้มันละเอียดให้เบาให้นุ่มตอนนี้ก็จิตของพวกเราทั้งหลายต้องมาฟังทำกันเลยแล้วเลเนี่ยก็แปลว่าต้องเอาทางศีลภาวาทานกุศลศีลกุศลทั้งหลา ย, ยมาฟอกมาปรับสบภาพจิตของเรานะั้นให้เป็นจิตที่อ่อนโยน ไม่ใช่อ่อนแอนะอ่อนโยนกับกุศลคือกุศลเริ่มเกิดง่ายและไม่หนักหน่วงแล้วตอนนี้พระริจ่าก็เริ่มชี้เห็นว่าแต่ก่อนจะไปชี้ก่อนหนะ้านั้นไม่เห็นนะจะไปชี้บอกว่ามีโทษนะตาหูจมูกเล่นกายใจว่าเราค้านตายเลยใช่ไหมแต่พอมาฟังคําสอนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่จิตก็เริ่มปรับอ่อนโยนขึ้นต้องการทจะจะชี้ว่านี่เหตุเกิดของการมีตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นอย่างนี้ใช้เวลามาไว้หน่อยทนะุกค ท่านอาจารย์พรมหาสุพลอยากจะให้แสดงเรื่องนี้ด้วยครับดังเหตุเกิดแล้วก็ทําเป็นเครื่องสลัดออกเลยครับอ๋อทําเป็นเครื่องสลัดออกอีกข้อหนึ่งทําเป็นเครื่องสลัดออกอันนี้อันนี้อันน้อันนี้อันนี้เระมาสรุปเลยก็แล้วกันเนาะอ่า สรุปสรุให้เห็นให้เห็นว่าไอ้กามเนี่ยกามเนี่ยกับอริยสัจมันเปน็นเดียวกันไหมยอมคาว่ากามกามที่เรากําลังว่ากันเดี๋ยนี้กามกับอริยสัจเปน็นเดียวกันไหมฟังมาตั้งนานแล้วคำว่ากามเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าหมายถึงวัตถุ ก, กามกับ กิเลสกรมใช่ไหมทีนี้วัตถุ ก, กรรมมีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าหมายถึงขันธ์หหรือตามหัวจมูกเล่นกายใจในพพทั้ง3เนี่ยในกรารมาพรบรูปะภพ อ, อรูปะภพเนี่ยซึ่งนี้ก็คือตัวทุกขสัจจะใช่ไหมตัวทุกขสัจจะส่วนอีกกามหนึ่งก็คือกิเลสกรรมกิเลสกรรมท่านก็ชี้ไปที่ตัวตัณหา ตันหานี่เป็นสมุทัยสัตว์นะสมุทัยสัตว์จาะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดสรุปสรุปเพราะว่าพระอาจารย์ทั้งสองท่านก็ขยายความที่ท่านทั้งหลายสามารถเอาไปฟังทบทวนนเนี่ยมันเป็นคำที่คำพูดที่ให้เราสามารถพิจารณาเห็นวิธีการเหตุเกิดขึ้นแล้วก็วิธีการสลัดออกจากกรรมได้เนี่ยโดยปริยายหนึ่ง แล้วก็ยังมีอีกลหลายส่วนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ในพระสูตรต่างๆนะวิธีการที่จะสลัดออกจากกามแล้วก็ชี้เหตุเกิดขึ้นของกามเน่ในที่นี้ก็จะมาสรุปเพื่อให้เราจำเป็นปร ะ, ประเด็นง่ายๆว่ากามเนี่ยมันก็คือตัวทุกข์กับสมุ ท, ทยัยใช่ไหมโยบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดเหตุเกิดขึ้นของมันโดยแบบในายาริยสัจนะกามเป็นเหตุให้เกิดกามใช่ไหม คือกิเลสการมเป็นเหตุให้เกิดวัตถุกรรมก็คือกิเลสกรรมเป็นตัวสมุทยัยนะเป็นเหตุให้เกิดทุกขสัจจะคือวัตถุการรมนะอันนี้คือเหตุเกิดแบบสรุปนะแบบให้จำนะเพราะฉะนั้นในตัวตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดวัตถุการมว่าถ้าจะถามว่ากรรมมันเกิดมาจากอะไรนะวัตถุกรรมเกิดมาจากสมุทยัย แล้วก็ไอ้กิเลสกรรมหรือว่าไอ้ตัวสมุทรสมุทรไทยเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากาประเด็นต่างๆที่ท่านระอาจารย์ทั้งสองได้ชี้แจงไปนะส่วนวิธีการออกจากกรรมก็ก็คือไอ้ากรมมันยึดกรรมอยู่ใช่ไหมกิเลสการมมันไปยึดวัตถุกรรมอยู่มันไปต้องการมันไปสร้างวัตถุกรรมขึ้นมาไม่จบไม่สิน้นวัาตสงสารยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดอยู่เนี่ย นะวิธีการก็คือก็ทํากิจในอริยสัจซึ่งเราจะได้ศึกษารายละเอียดกันอีกทีในชั่วโมงบรรยายของอาจารย์สุรพงศ์ใช่ไหมนี่คือเชื่อมโยงให้ให้ไปหากันะเพราะว่าง่ายไม่ยอมนะก็เชื่อมโยงไปอย่างนั้นะนะเพราะว่าเรื่องที่เราฟังกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันอนะมันเป็นจุดที่จะเชื่อมไปหากันได้อย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเอาแบบเบ็ดเสร็จแบบคำพูดสรุปๆเนี่ยนะจากที่พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้ขยายความไปเนี่ยก็คือวิธีการก็ออกตามที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ก็คือทารรกิจในอริยสัจใช่ไหมกิเลสการมมันไปยึดอะไรล่ะมันไปยึดเพราะอะไร